คำขอสิกาสมมติและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สิกาสมมติอย่างนี้ภิกษุเป็นไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายแล้วนั่งกระโยงประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผมเป็นไข้ขาดสาแรแหกแล้วไม่สามารถนำบาตรไปได้ผมจึงขอสิ ก, กาสมมุติต่อสงพึงขอแม้ครั้งที่สองและพึงขอแม้ครั้งที่สามท่านผู้เจริญผมเป็นไข้ ขาดสาแหรกแล้วไม่สามารถนำบาทไปได้ผมจึงขอสิ ก, กาสมมุติต่อสงฆ์ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด, ด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข่ขาดสาแหรกแล้ว ไม่สามารถนำบาทไปได้ท่านขอสิกาสมมุติต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้สิกาสมมุติแก่ภิกษุนั้นนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นไข้ ขาดสาแหรกแล้วไม่สามารถจะนำบาทไปได้ท่านขอสิ ก, กาสมมุติต่อสงฆ์สงให้สิ ก, กาสมมุติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สิ ก, กาสมมุติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง สิกาสมมุติสงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดไม้เท้าไม่สามารถจะเดินไปไหนได้